ต่อไปสวดหน้าที่เจ็ดสรพันยะบทพระธรรมคุณธรรมคือคุณอากอนส่วนชอบสาทรดวดดวงประทีปชัชวานแห่งองค์พระศาสาานาจย์สองสัตสันดานสว่างกระจางใจมน คำได้ัากโดยมากพ้นเป็นแปดพึงโยนและก้าวกับทางนารุภานสงยาโลกอุดอนพิสดานอันลึกโอรานพิสูตรพิเศษสุขใสอีกทางต้นทางขันไลนามขันอานขันไข ปฏิปัติปริยัติเป็นสองคือท า, ทางดำเนินตุวจะคลองให้ลวงลูกปองอย่างโลกอุดอนโดยตรงข้าขอโ อ, อ, อนอ่อนอุธมงนกธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจกราบ